ธรรมชาดกแผ่นที่4ลำดับที่8โดยหลวงพ่ออินทาวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่7สิงหาคม2553มีชื่อเรื่องว่าเศรษฐีไม่มีเงินเมื่อวานคณะ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 เอาจะข้าวต้มก็พอรองท้องก็พอละมั่ง่ะก็เลยให้ทางครัวเขาทำข้าวต้มมาให้เมื่อวานเนี่ยพอกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแล้วก็วันนี้เราลูกหลานเนียถ้าหิวก็ทานวันนี้เเอาเต็มที่เลยวันเนี่ยพอหลวงพ่อหลงตาพาทานมื้อเดียวทานมื้อเช้าแล้วก็จบแต่ลูกหลานทานสามมือ้อแต่เมื่อวานให้เบาๆสักหน่อย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 จะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ศีล227จะพยายามให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยจากนั้นก็ศีลอภิสมาจารอีกมากมายถ้าว่าผู้ที่เคยบวชแล้วจะรู้ว่าศีลพระปฏิโมกต์นั่นคืออะไรศีลอภิสมาจารนั่นคืออะไรศีลอภิสมาจารคือศีลนอกจากพระปฏิโมกถ้าจะนํามาสวดทั้งหมดไม่ไหวเหมือนกันแต่สวดเป็นสามสห้าวันเป็นอาทิตย์ก็ยังไม่จบเหมือนกัน ใครจะไปเรียนได้เพราะฉะนั้นสวด227ศิล227ข้อแล้วก็สินอภิสมาจาร์มีอีกสินอภิสมาจาร์นั่นคืออะไรคือกฎบัญญัติให้พระสงฆ์ปฏิบัติอย่างว่าให้พิกษุปปงผมนะปงหนวดนะตัดเล็บนะถ้าไม่ตัดเล็บเป็นอาบัติถ้าไม่ปองผมเป็นอาบัติถ้าไม่ปงหนวดเป็นอาบัติถ้าในพระวินัยไม่มี227สิน227ข้อนะั้นไม่มี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 เมื่อเราเป็นพระแล้วกิจที่ควรทำอนุาสาตแปอย่างนิสัยสี่กิจที่ควรทำอาการณยกิจสี่กิจที่ไม่ควรทำรวมแล้วเป็น8นะจากนั้นก็นไล่ไปเรื่อยปาลายชิกสี่สังฆาทิเศษเจ็ดสาอนยศสองนิสกียาปาจิตตี30มปาจิตตี92ิปฏิเทจนิยะสี่เศขกิยวัรเกติบ้ารวมกันเป็นร้องสอง นับทั้งอธิอธิกรณะสมถะเข้ารวมเป็น2องยี่สเ็ดนี่แหละศีลของพระปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็ศีลในพิสมาจารย์ยังมีเอกพระใหม่ได้ยินล้งอ่อนอกอ่อนใจโอ้จะให้ผมรักษาศีลทุกข้อพงไม่ไหวผมขอกลับไปเป็นฆรวาิบำเพ็ญทานศีลภาวนาเพื่อสั่งสมบุญกุศลจะดีกว่าครับผมมารักษาศีล น, นี้ไม่ไหวแล้วผมขอลาสิกขา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 ใช้ของชาวบ้านอยู่ที่พักพาอาศัยชาวบ้านยาแก้โรคภยัยไข้เจ็บเป็นของชาวบ้านให้จะเป็นบาปเพราะนั้นเขาจะไม่อยู่ในาศาสนาเขาจะลาศิกขาพระเจ้าข่าพระพุทธองค์ก็ถามว่าจริงไหมเธอคิดอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับพระองค์นั้นพระบวชใหม่นะใช่ครับพระพระาาุทธเจ้าบอกว่าทําไมเธอจึงจึงคิดอย่างนั้นเพราะว่าศีลเลวินัยมากเหลือเกิน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 หลวงพ่อไว้อยากจะให้พวกเราคือไม่สายเกินไปคือตั้งจิตอธิษฐานมาวัดหลวงพ่อมีพระประธานอยู่ต่อห น, น้าพระพุทธะอุดมมงคลอีกต า, ากหานะเป็นพระที่อุดมไปด้วยมงคลพระประธานที่วัดหลวงพ่อเพราะนั้นกล่าวพระประธานเสร็จแล้วเออวันนี้ข้าพเจ้าเนะีได้มาทําบุญที่วัดหลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อพูดว่าในพรรษา น, น, นี้ควรจะยึดอะไรเป็น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 เกิดญาณทัศน์เกิดฌ า, า, านพอเกิดฌานขึ้นมาพระองค์น้อมจิตระลึกชาติผลหลังเยะว่าปุพเพในวาสานุจติญาณระลึกชาติผลหลังได้ถ้าว่าตายแล้วศูญย์จะระลึกชาติผลหลังได้ยังไงถ้าไม่มีเมื่อวานนเราจะระลึกได้ยังไงว่ามีมีเมื่อวานในเมื่อมีเมื่อวานเราจึงย้อนไปถึงเมื่อวานได้ได้แล้วก็ระวันพวกนี้แหละจะนี้ยมีไหมเมื่อเมื่อวานนี่มีวันนี้มีวันพรุ่งนี้ก็ต้องมี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 ความถูกต้องถูกต้องขนาดไหนถูกต้องขนาดที่ว่าหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสองเป็นสี่บวกไปเท่าไหร่ก็ถูกหมดอันนี้ก็คือหลักเหตุผลถ้าว่าใครพูดผิดหลักเหตุผลหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสามสามสาบวกสมเป็น 9, เกแปลว่าผิดผิดหลักเหตุผลไม่ถูกเพราะนั้นขอให้พวกเราครูบาอาจารย์ศรัทธา ย, ยาทยมทุกๆกท่านนะที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้ฟังได้ก่อ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 ในเมื่อเกิดมาชาตินี้แล้วเราทำกรรมชั่วอีกต่อไปแล้วก็จะวิบากจริงซดลงไปอีกเพราะว่ากรรมดีกรรมชั่วนะ่มันทำมาในอดีตอย่างพราหมณ์ท่านหนึ่งเกิดมาชาตินี้รวยมากในกรุงสวรรค์ถีรวยจริงจริงเหมือนกันเป็นมหาเศรษฐีแต่ขี้เหนียวมากไม่รู้จักทาบุญทำทานเลยเวลาคนมาใกล้เนี่ยญาติพี่น้องมาใกล้เนี่ย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 พโลหิตตาจานไปเห็นพระประเจกกําลังบินทบาทเนะองค์เดียวนะพอเห็นบินธบาทพระประเจ ก, กท่านก็ออกจากนิโรธธมาบัตรท่านออกมาแล้วท่านก็เดินในตลาดคนมากพอโลหิตจะบอกเห็นพระประเจกเท่านั้นอ่ะเอาไทบาดตักบาดไสบาดตักบาดเนะ้อลูกหลานเนะ้อใสบาดพระประเจ ก, กพระประเจ ก, กพุทธเจ้าที่ท่านเดินมาบินธบาทไสบาดพระปรนะเจกเน้อคนทั้งหลายเห็น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 ไม่ได้ใส่บาตรไม่ได้ทําบุญเหมือนกันนะต่นี้พอจากนั้นมาท่านก็ตายในชาตินั้นว่ะพอตายที่ท่านประ ก, กาศให้คนทําบุญท่านไปสู่สวรรค์นนะว่าอในสงฆ์พระปเจกพระเทวเจ้าเลยียท่านก็ไม่มีอาหารจริงๆริวันนะั้นคนไปใส่บาทให้ท่านท่านก็ได้ใส่บาตรโปรโลหิตต่างก็ได้บุญในบุญในขณะที่จิตใจที่เป็นกุศลประกาศเหมือนั้นถนะ้าว่าประกาศเสร็จแล้วก็ท่านก็ไปทํางานเพราะทำงานในเวียงระวงังจากนั้นท่านก็ตาย มรณะภาพในชาตินั้นตายแล้วท่านไปสู่สวรรค์พราะสู่สวรรค์กลับมามาเกิดเป็นเป็นคนในกรุงพาราณสีโอ้เป็นเศรษฐีใหญ่เลยท่า น, นนียอเนสงประกาศให้คนทําบุญแต่ว่าตัวเองใช้ไม่ได้กินไม่ได้จะกินบาทหนึ่งสตางค์หนึ่งก็โอ้โหเสียดายเหมือนกันเถะเก็บทั้งนั้นแต่มาเท่าไหร่ทั้งกันได้ร้อยบาทจะกินหนึ่งสตางค์สองสตางค์กับครวมันจะขาดร้อยใช่ไหมให้มันเต็มร้อยเหมือนกั น, น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 นั้นก็เป็นอย่างนั้นเองจนมาถึงชาติที่เจ็เนี่ยนในชาตินี้เศรษฐีก็ยังทําอย่างเก่าไม่ใช้เงินพระพญาประเสิทําไมเศรษฐีจึงไม่ใช้เงินพระเจ้าคะเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าอันนั้นไม่ใช่ของทานของเศรษฐีเพียงแต่ว่าประกาศให้คนอื่นทําบุญอันที่สงในการทําบุญเขาไม่มีแต่ว่าอั น, นิี่สงประกาศให้คนทําบุญ น, นั้นเขาเป็นเศรษฐีแต่เขาไม่กล้าใช้เงินของเขาไม่กล้าใช้เงินพราะอะไรเพราะ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 ต้องทําเองคนอื่นทําแทนไม่ได้เพราะฉะนั้นให้พวกเราศึกษาทดลองดูนะก่อนหลับก่อนนอนกันนั่งภาวนาหลับตาไม่ต้องให้ใครเห็นก็ได้หลับตานึกพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธเน่ใจถ้าวันนึกพุทโธพุทโธมันยังออกไปอยู่ให้นับเลหนึ่งหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองหายใจเข้านับสามหายใจออกนับสี่นับถึงร้อยไม่เผลอแปลว่าใช้ได้เริ่มใช้ได้ถ้าว่านับถึงสี่ถ้าเผลอแป๊บ ถึงเดถึงแเผลอวั๊บเราไม่น่าจะไว้ใจเรานะโอ้ถ้าเผลอมากกว่านี้เราเป็นบ้าแน่แน่แนนี่เพราะมันขาดสตนะิเวลานับไปนับไปหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองหายใจเข้านับสามหายใจออกนับ4ีรับไปเลยจนถึงร้อยนะีมันเผล่กี่ครั้งจะรู้ได้ยังไงว่ามันเผล่เวลาหายใจเข้าหนึ่งเป็นเลขขี่ใช่ไหมเวลาหายใจออกคู่เป็นเลขสองนะหายใจเข้าเป็นเลขขี่สาหายใจออกเป็นเลขสี่คู่ ให้เข้าคู่ขี้คู่ขี้คู่ขีข้ทีนี้มันจะเบอร์เวลามันจะหลกมันจะเบอร์เบเบอร์สร็จแล้วหายใจเข้าสามสิบสองหายใจออกสามสิบสามเนี่ยแปลว่ามันเบอร์แหละมันพิกล็อกแลว้วไงแต่อันนั้นแปลว่าใช่ไปได้แหละสติเราขาดอหายใจพอนับไปหน่อยหนึ่งหายใจออกแปดหายใจเข้า 9, เก้าเนี่ยแปลว่าพิกล็อกละหายใจเข้ามันต้องเป็นหนึ่งเหลือไม่เลขขีนะ อายจะออกเป็นเลขคู่นะนี่แหละให้พวกเราสังเกตตัวของเราเองเวลานั่งสมาธิถ้าว่าพวกเรานั่งสมาธินั่งกําหนดนับนับนับถึงร้อยนะถ้าถึงร้อยแล้วไม่เผลอแนะปลว่าเราใช่ได้หนึ่งนาทีกว่ากว่านับอีกไม่เผลออีกใช่ได้ต่อไปสติของเราจะดีขึ้นเรื่อยเื่อเรื่อยเืยเรื่อยเอยเราจะกําหนดเรื่องอะไรเราจะรู้ได้ด้วยตัวเองจะไม่เบือเ่อเบอเผลอเผลอเลเร่ไปเลยแต่ถ้าว่า เรานับไปนับมามีแต่หลงอยู่เลยหลงอยู่เลยหลงอยู่เลยต่อไปเมื่อเท่าแก่ชลามานะ่ยเอาละทีหลงลืมไปหมดเลยทีนี้ปั๊มปั๊ม เ, เ, เปื่อเปื่อน่ะทีนี้กินข้าวแล้วก็ว่าไม่ได้กินเลยทีนี้เพื่ออะไรเพราะจิตของเราเรือนลางฮะเป็นอันใเมือได้ง่ายๆเพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะฝึกสมาธินี่ยมันเป็นผลประโยชน์ของเราเองจนถึงเท่าแก่ฉลาในเมื่อจะตายเราไม่หลงตายอีกต่างหากถึงข้าวเราแล้วเหรอ